<Book> สามสิบเอ็ดมุกเฮ่ปกติที่ร้านอาหารสามรีสตอรีน่นวดดามูดูดิฉันอยากได้ออเดอร์ค่ะนักวิกสตาร์เตอร์คาวาเล่ดิฉันอยากได้สลัดค่ะ นากูซัลเลอร์กาวาดิฉันอยากได้ซุปค่ะนากูกะซุปกาวาลีดิฉันอยากได้ของหวานค่ะนากูกะเดซ์เตอร์กาวาดิฉันอยากได้ไอิสครีมใส่วิปครีมค่ะนอกจวิปชีสในครีมตูนะ้น่ะไอสครีมกาวาลี ดิฉันอยากได้ผ ล, ลไม้หรือชีสค่ะนากุกุนิพัลลูเลดาชีสคาวาลีเราต้องการทานอาหารเช้านากุเบรกเฟสตินาเลนิมุนดีเราต้องการทานอาหารกลางวันนากลันชิตินาเลนิมุนดีเราต้องการทานอาหารเย็น นากู ด, ดินเนอร์ตินาเลนิมุนดีอาหารเช้ารับเป็นอะไรดีคะมีกับเบคฟาสต์โหยิมคาวาลิขนมปังกับแยมและน้ำผึ้งไหมคะจอมมาริโอเต็มโลแตย่ยัดเจสเนโรลส์าวาลิขนมปังปิ้งกับไส้กรอกและชีสไหมคะซนดิชมริโอชีสตัตสตสาวา ไข่ลวกไหมคะบอยล์เจสนกุดลูกาวาล่ะไข่าดาวไหมคะฟรายเจสนกุดลุลลกาวาละ่ะออมเล็ตไหมคะออมเล็ตกาวาล่ะขอโยเกิร์ตอีกหนึ่งถ้วยคะ่ะอิงโกะกะปูเปร์กุกาบาลีขอเกลือและพริกไทยด้วยคะ่ะ เอาล่ะเก๋ก่อนฉันวุบปูมาริโอมีเรียลปอดีคุณได้ยวดขอน้าเปล่าอีกหนึ่งแก้วค่ะมาละกับแกสมันชนลีวดี